Oh. จากที่เราได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นรู้สึกอย่างไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่าง่วงแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าฟุง้งมันมีความคิดมากหรือเกินคิดโน่นคิดนี่ในเรื่องที่ไม่คิดว่าจะคิดก็มันก็ผุดขึ้นมา เจอแบบนี้หลายคนก็จะถามว่าเนี่ยราจะทำยังไงนะจริงๆก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกนะก็แค่รู้ว่ามันฟุ้งก็พอละอาจจะยังไม่ต้องถามหาสาเหตุก็จะมันฟุ้งเพราะอะไรแต่เมื่อมันฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งเมื่อมันคิดโน่นคิดนี่ก็ก็รู้และจะรู้ทีหลังหลังจากคิดไป เลยเปื่อยแล้วติดไปหลายเรื่องแล้วไม่ต้องทำอะไรนะมันเป็นธรรมดาที่จะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะสำหรับผู้ที่มาปฏิบัติโดยเพาะผู้ที่เพิ่งมาหรือเพิ่งปฏิบัติบองของก็สงสาวทำไมมันมันฟุ้งยิ่งกว่าท่าตอนอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำงานอยู่ที่บ้านนี่ก็ไม่เห็นฟุ้งมากเท่าตอนมาปฏิบัติเลยทั้งๆที่มันก็ไม่มีงานไม่มีอะไรให้ทำาี่จริงก็เพราะไม่มีงานอะไรให้ทำเยมันถึงฟุ้งเนี่ยเพราะว่าตอนที่เราอยู่บ้านตอนที่เราอยู่ที่ทำงานเนี่ยมันมีอะไรให้จิตได้จดจอ่อ อาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดหรือมีสิ่งที่น่าดึงดูดใจที่ชวนให้จิตไปจดจอ่อนะเช่นเส้นเพลงข้อมูลข่าวสารโทรศัพท์มือถือข้ อ, ขอความจากใครต่อใครมากมาย ที่ส่งมาทางโทรศัพท์เนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้จิตเนี่ยไปจดจอพอจิตมันจดจอมันก็เลยไม่แสบสายมากผู้งานคือมันมีงานให้จิตทำมันมีงานให้จิตจดจอมันมีสิ่งที่ดึงดูดใจให้ให้ไม่ฟุง้งถึงแม้ว่า บางครั้งจะเครียดแต่ว่าสำหรับหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันไม่ฟุ้งมากเท่ากับตอนมาวัดโดยเพราะเมื่อมาปฏิบัติแต่ถ้ามาวัดแล้วทำอย่างอื่นนะเช่นพูดคุยกันหรือดูโทรศัพท์นี่มันเขาไม่ฟุ้งเท่าไหร่นะหรือว่ามาวัดแล้วก็ดูธรรมชาติมันมีสิ่งที่ดึงจิตให้จดจอ่อจนกระทั่ง เหมือนกับแน่นิ่งแต่พอเรามาปฏิบัติมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะทีแรกเนี่ยมันก็อาจจะจดจ่อใส่ใจนะอยู่กับการเดินอยู่กับการสร้างจังหวะเพราะเป็นของใหม่แต่ว่าพอทาไปสักพักเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกจำเจ พอมันจำเจมันก็จะเกิดความรู้สึกเบื่อพอเบื่อแล้วมันก็อยากจะไปหาอะไรที่น่าสนใจบางคนห้ามใจไม่อยู่ก็เดินออกไปนอกวัดหรือว่าหยิบโทรศัพท์มือถือมาดูแต่บางคนห้ามใจไม่ทำอย่างนั้นอยู่บนลานจนกลมนะอยู่บนอาสนะจะจิ้มเอีงหาช่องไปจนได้นะ ก็คือหาเรื่องคิดเนี่ยคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้หรือไม่ก็ขุดคุยอะไรต่ออะไรขึ้นมาบางทีก็จินตนาการสารพัดเพื่อมันจะได้มีอะไรใหม่ๆธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันก็มันก็ชอบเสพสิ่งเรานะโดยเพราะสิ่งที่มัน เป็นของใหม่ถ้าอะไรที่มันซ้ำซากหรือจําเจเนี่ยมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะพละอาออกไปหาสิ่งเร้าใหม่ๆยิ่งถ้าเกิดว่ารู้สึกเบื่อการเดินจงกรมการสร้างจังหวะมันก็ยิ่งไปหาอะไรหาอะไรคิดหาอะไรนึกเป็นการกระตุ้นจิตให้มันรู้สึกตื่นเต้น จะว่าไปแล้วนคนจำนไม่น้อยเนี่ยเศษิ ต, สสตสิสิ่งเรานะเศษิดสิ่งเราสิ่งเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยพาเดี๋ยวนี้เนี่ยสิ่งที่มันรวมศูนย์สิ่งเร า, ามีทั้งเร า, าทางตาเร า, าทางหูเนี่ย ก็คือโทรศัพท์มือถือมีหนังมีเพลงมีข้ อ, อ, อควา ม, มพออยู่ห่างไกลาจากโทรศัพท์มือถือเข้าเนี่ยมันก็รู้สึกเคลนถ้าไม่มีสิ่งเล่าจากภายนอกมันก็หาสิ่งเล่าจากภายในคือคิดคิดนอนคิดนี่ ซึ่งทำให้หลายคนเนี่ยเวลามาปฏิบัติใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันคิดเยอะเหลือเกินไม่เหมือนตอนอยู่บ้านไม่เหมือนตอนอยู่ที่ทำงานพอที่นั่นเนี่ยนะมันมีอะไรให้ทามันมีอะไรให้จิตได้จดจอ่อทำให้จิตมันแช่ทำให้จิตมันบางทีเกิดความเพลิดเพลินหรือว่าเกิดสมาธินะบางคนมีสมาธิกับเสียงเพลงบางคนมีสมาธิกับหนัง มันก็เลยไม่เกิดอาการฟุง้งแต่พอไม่มีอะไรให้จิตตรวจจอนี่นะมันก็เลยแสบสายมันก็เลยเพ่นผ่านแล้วก็สุดท้ายก็ต้องหาอะไรที่จะมากระตุ้นให้จิตเนี่ยมันเกิดความตื่นตัวเกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาก็โดยการคิดจินตนาการ หรือมิฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเล่าเลยจากภายนอกเนี่ยมันก็จะง่วงนะมันก็จะง่วงจนกว่าจะหาหาเรื่องคิดหรือว่าจนกว่ามันจะจินตนาการโน่นนี่ปรุงแต่งมันถึงจะเติบขึ้นมาแต่ถือแม้จะหายง่วงนะแต่ว่าเจอความฟุ้งแทน เพราะนั้นเนี่ยธรรมดานะธรรมดาที่มันจะมีความฟุ้งมากมายในระหว่างที่เราปฏิบัติอย่าไปเสีย อ, อกเสียใจอย่าไปรู้สึกว่ามันเราผิดปกติมันธรรมดาสิ่งที่เราควรทาก็คือว่าแค่รู้แล้วก็ยอมรับมันให้ได้ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่หงุดหงิดไม่รำคาญกับความฟุ้งซ่านจริงเนี่ยในการที่เราจะยอมรับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะลึกๆเนี่ยมันจะมีความไม่ชอบความฟุ้งซ่านมันจะมีความรู้สึกลบมันจะมีเกิดความรู้สึกหงุดหงิด เดี๋ยวพ่อเมื่อตั้งใจมาประเดียดเพื่อให้ได้ความสงบ ต, ตรงนี้เป็นการบ้านของเราเลยนะนยให้ถือว่ามันมีการบ้านที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีสติดีขึ้นคือนอกจากเห็นความฟุง้งหรือว่ารู้ว่าฟุ้งแล้วเนี่ยนะลองสังเกตดูเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะ คือความรู้สึกไม่ชอบใจที่มันฟุง้งมันจะมีความรู้สึกอยากจะผลักไสไอ้ความคิดฟุง้งซ่านมีความรู้สึกอยากจะเล่นงานไอ้ความฟุง้งมันมีความไม่พอใจความฟุ้งเหล่านั้นลองสังเกตดูนะมันมันซ้อนอยู่หรือมัน มันซุกอยู่นะข้างล่างใหม่ๆนี่ก็จะเห็นแต่ความฟุ้งนะซึ่งบางคนไม่เห็นเลยนะพลัดเข้าไปเลยพลัดเข้าไปในฟังความฟุง้งมันไม่ใช่แค่จิตฟุ้งอย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็ฟุ้งตามไปด้วยตอนหลังเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความฟุงนะ้งไม่ถลําเข้าไป แต่ฉันไม่พอต้องเห็นอีกตัวหนึ่งนะไอความรู้สึกลบต่อความฟุง้งความรู้สึกอยากจะผลักไสความรู้สึกไม่พอใจความฟุ้งเนี่ยไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นสังเกตนะเห็นมันแค่เห็นมันนี่ก็ก็ช่วยทําให้ไอความทุกข์พอฟุ้งเนี่ยมันบรรเทาลง จริงๆแล้วเนี่ยความฟุ้งไม่ได้ทำให้เราทุกข์มากเท่าไหร่นะแต่ความรู้สึกที่มันเป็นลบนกับความฟุ้งเนี่ยตรงเนี้ยมันทำให้เราทุกข์มันทำให้เราหงุดหงิดแล้วนี่คือกับดักของนักปฏิบัติซึ่งมักจะพลังเพราะว่าอยากจะให้จิตมันสงบนะจะรู้สึกลบนะกับความฟุ้ง ไม่ชอบเลยยอมรับไม่ได้ลองปรับใจซะใหม่นะยอมรับมันให้ได้แต่การที่จะยอมรับมันได้นี่ก็ต้องหมายความว่ารู้ทันนะไอ้ความรู้สึกลบที่มันซ่อนอยู่หรือแฝงอยู่นะข้างในพอเรารู้ ว่ามันมีตัวนี้หรือเห็นมันนะมันก็จะค่อยๆจางหายไปในทำให้ใจ เ, เริ่มสืกเป็นกลางกับความฟุง้งตรงนี้แหละที่ทำให้ใจเนี่ยยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันนี้มันเป็นเป็นทักษะที่สำคัญนะยอมรับทุกอารมณ์ทุกอาการที่เกิดขึ้นภายใน ไม่ใช่แค่ความฟุ้งเฟือเดือนนะความโกรธความหงุดหงิดความโศกความเศร้าเนี่ยไอ้พวกนี้นี่เราห้ามมันไม่ได้นะสำหรับปุถุชนเนี่ยเวลาเกิดเหตุร้ายเกิดความสูญเสียเกิดความพลาดพลาดถูกต่อว่าด่าทอมก็ต้องเกิดอารมณ์พวกนี้ขึ้นแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะเห็นมันยอมรับมันไม่ผลักไสมัน วางใจเป็นกลางกับมันเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็จะมีพิษสงกับเราน้อยลงมันจะมีเชี่ยวเล็บนะน้อยลงเราห้ามไม่ให้มันเกิดไม่ได้แต่เรารักษาใจไม่ให้มันมาครอบงำรังควานใจเราได้นะด้วยการที่เราเนี่ยเห็นมันยอมรับมันวางใจเป็นกลางกับมัน ซึ่งตรงเนี้ยเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ที่เรารู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้โดยที่ไม่ปรับไม่ไปผักใสแล้วพอรู้ซื่อๆเนี่ยนะจิตมันก็จะสงบลงได้นะ อ, อารมณ์พวกนี้เนี่ยมันก็จะพอมันเจอการรู้ซื่อๆเนี่ยมันก็จะมันก็จะคลี่คลายมันก็จะเลือนหายไปในเวลาไม่นาน และการที่เราจะรู้เสื่อๆนี้ได้เนี่ยสิ่งสําคัญคือสตินะหรือความรู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวนี่เป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดกันนะมาด้วยกันมีสติเมื่อไหรนะ่เนี่ยโดยเฉพาะสมาสติความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นนะหรือพอมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยสติมันก็มีกําลังขึ้นมาทันที การเจริญสติเนี่ยนะอา น, นิสงหรือประโยชน์ของมันมประการนึงคือทำให้เราเนี่ยรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือผู้อย่างคือเห็นมันหลวงพ่อคำเกยนใช้ก็ว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นไอ้ที่เข้าไปเป็นพราะไม่รู้ทันนะโดนมันหลอกมันก็เลยเข้าไปเป็น ถล่มเข้าไปแต่พอมีสตินี่สติเหมือนตานนามก็เห็นเห็นแล้วก็จิตมันก็ถอนออกมาจากอารมณ์หรือความคิดเหล่านั้นถอนมาแล้วกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวเกิดความสุขตัวอารมณ์พวกนี้เนี่ยก็จะค่อยๆเลือนหายไปไอ้ที่เคยว่าวุ่นฟุ้งซ่านที่เคยรุ่มร้อนมันก็สงบแล้วมันก็เย็นตามมา เป็นความสงบนะที่เกิดขึ้นเพราะรู้ทันส่วนใหญ่รู้จักแต่ความสงบเพราะว่าใจไม่คิดนะพอใจไม่คิดเนี่ยมันก็สงบหรือพอไม่ไปรับรู้อะไรก็สงบหลายคนจะรู้สึกสงบนะเวลาปิดตานะเวลาปิดโทรศัพท์เวลา ปิดประตูบา้านปิดหน้าต่างไม่ให้เสียงดังเล็ดรอยเข้ามาไม่ให้ใครมาห า, าถ้าไม่พอนะอพยายามบังคับจิตให้มันอยู่กับลมหายใจบังคับจิตให้มันอยู่กับคำบริกรรมพุทโธหรือบังคับจิตให้มันอยู่กับกายเช่นท้องพองยุบพอบังคับจิตให้มันอยู่กับอวัยวะ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออยู่กับคำบริกรรมมันไม่แสสายมันไม่ฟุ้งออกไปนะมันก็เกิดความสงบอันนี้เป็นความสงบที่หลายคนรู้จักและเข้าใจซึ่งไปรวมถึงการบังคับจิตไม่ให้คิดด้วยแต่ว่าการจญรสติเนี่ยมันทำงานอีกแบบหนึ่งนะโดยพูดาการจญรสติแบบหว่อเทียนเนี่ยคือว่า รู้ทันนะหรือเห็นมันนะไม่ว่าจะเป็นความคิดืออารมณ์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้เพราะมันห้ามไม่ได้แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่รู้ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีการห้ามจิตไม่คิดจะไม่มีการกดข่มอารมณ์มันเกิดขึ้นก็ช่างมันนะแต่ว่าขอให้รู้ทันไว พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยนะจากเดิมที่ถลำเข้าไปในความคิดในอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็ถอนลองอมาอารมณ์เหล่านี้เนี่ยหรือความคิดนี้พอร้อยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันนะเหมือนก็เหมือนกับไฟที่ไม่มีเชื้อหรือถูกถอนถูกดึงเชื้อออกมาพอไม่มีเชื้อมันก็ดับไปเองเนะพอความคิดดับอารมณ์ดับ นะเกิดอะไรขึ้นนะความสงบความโปร่งร่วงความเย็น น, นั่นจะเป็นความสงบอีกแบบหนึ่งนะที่เราไม่ค่อยรู้จักกันเป็นความสงบที่ยอมอนุญาตให้ความคิดความฟุง้งปรุงแต่งและอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้ทันมันรู้ทันมันได้ไงรู้ทันมันด้วยสตินะหรือว่า ทำให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาไวไยอันนี้เราสงบเพราะรู้นะสงบเพราะรู้ทันสงบเพราะรู้สึกตัวแล้วเนี่ยแม้ว่าไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะทําให้เกิดความสงบจุดมุ่งหมายคือเพื่อให้เกิดสติเพื่อความรู้สึกตัวแต่ผลที่ตามมาคือความสงบแต่ว่าสงบนะ อย่างเดียวไม่พอนะการจลริติเนี่ยสามารถจะให้เราเร า, เราได้มากกว่า น, นั้นนันถ้าเราจลศริตเรามีความสึกตัวเนี่ยต่อไปมันจะไม่ได้แค่เกิดความสงบแต่มันเกิดความสว่างด้วยคือเกิดปัญญาเกิดปัญญาคือความเข้าใจธรรมชาติของกายและใจและของอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ถ้าสัมผัสความสงบแล้วหยุดเท่านั้นนะไม่ไปต่อเนี่ยมันก็นั บ, บนาเสดายแต่ถ้าว่าเราปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะไม่ใช่แค่รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่ารู้ว่าอารมณ์มันมีอยู่รู้ว่าความโกรธมีอยู่ในใจรู้ว่าความหงุดหงิดมีอยู่ในใจ แต่มันยังสามารถจะรู้มากกว่านั้นนะคือรู้ธรรมชาติของกายและใจด้วยรู้ธรรมชาติของอารมณ์สติไม่ใช่เพียงแค่ทำให้ความเคล้อารมณ์เนี่ยมันดับไปนะแต่ว่ามันยังทำให้เห็นธรรมชาติของมันเห็นว่าเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปอันนี้เราเห็นอันนี้จังนะ เห็นว่ามันตั้งอยู่ไม่ได้มันย่มเสื่อมสลายไปนี่เราเห็นทุกขังแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เราเห็นอนัตตาสติมันทำให้เห็นนะเห็นไตรลักษณ์ใหมมเนี่ยมันก็ทำให้เห็นว่าอ๋อใกายและใจเนี่ยมันไม่ใช่เราแต่ก่อนเนี่ยนะ เวลาทำอะไรก็ไปสาคัญมั่หมายว่าฉันทำฉันเดินฉันคิดฉันโกรธฉันฟุ้งนะแต่พอจระสติีมันจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่ฉันที่เดินนะแต่มันเป็นรูปที่เดินมันไม่ใช่ฉันคิดนะหรือว่าฉันโกรธนะแต่มันแค่มีความคิดและความโกรธเกิดขึ้นในใจพูดง่ายคือว่ามัน สลายไอ้ความสําคัญบหมายว่ากูว่ากูเนี่ยแต่ก่อนเออแล้วก็กูกูคิดกูทํากูเดินหรือฉันคิดฉันทำฉันเดินแต่ว่าพอจุลสตินี่มันมันสลายเลยนะตัวกูเนี่ยมันเห็นแต่รูปกับนามอันเนี้ยที่บางคนเรียกว่าแยกรูปแยกนามคือทําให้ตัวกูมันหายไป เ, ยเพราะมันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งที่สร้างปรุงคลุ้งซ้อนขึ้นมาสวม หรือว่าครอบตัวที่เป็นกายและใจรูปกับนามเราไม่เห็นรูปกับนามเพราะว่าตัวกูเนี่ยมันมันมันเคลือบมันซ้อนอยู่สติเนี่ยมันทำให้เห็นเลยนะมันไม่ใช่มันไม่มีกูมันมีแต่รูปกับน้ำมันมีแต่กายกับใจเวลาเดินนะเดินมีสตินะมันไม่ใช่กูเดินนะมันแต่มันเป็นรูปที่เดิน เวลาคิดเนี่ยมันไม่ใช่กูคิดนะแต่มันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นในใจแล้วจะเห็นต่อไปนะว่าเนี่ยความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ก่อนคิดที่ไรก็กูคิดแต่ก่อนโกรธที่ไรก็กูโกรธนะแต่ว่าพอเจริญสติมันเห็นเลยมันโกรธไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นก็จริงแต่มันไม่ใช่เราไอ้ตรงนี้มันทําให้ เป็นอิสระความโกรธได้เป็นอิสระความทุกข์นะแม้กระทั่งความปวดแต่ก่อนนี่กูปวดกูปวดนะแต่พอมามีสติเห็นเวทนานี่มันไม่มีผู้ปวดแล้วล่ะมันมีแต่ความปวดรือเห็นว่าความปวดเกิดขึ้นกับกายแต่พูดอีกอย่างนก็ได้ว่ากายปวดนะแต่ว่าไม่ใช่กูปวดโอ้ตรงนี้นี่มันทําให้จิตนี่เป็นอิสระจากความปวดไปได้เยอะเลยนะ ความปวดจะลดลงไปเยอะเลยนะพอเห็นว่ากายปวดแต่ไม่ใช่กูปวดมันไม่มีผู้ปวดแล้วละมันมีแต่ความปวดใน ต, ตรงนี้ถ้าเห็นนี้มันมันก็เรียกว่าเกิดปัญญาแล้วนะมันไม่มีกูนะมันไม่มีผู้ปวดมันไม่มีผู้โกรธมันมีแต่ความโกรธมันมีแต่ความปวดนะอันนี้คือการที่เข้าถึงภาวะทีโลนนัตา อันนี้คือเบื้องต้นนะมันยังมีมากกว่านั้นนะแต่ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าทำให้เกิดปัญญาหรือความสว่างถ้าเจริญสติแล้วได้แต่ความสงบแต่ไม่เห็นตรงนี้นะมันก็น่าเสียดายแต่บางคนก็ติดสงบเลยนะเจริญสติเนี่ยแม้ว่าท่านจะสอนให้สงบก็เห็นความสงบอย่าไปติดมันเห็นอย่าเข้าไปเป็นแต่บางคนก็ สติอ่อนนะก็เลยเผลอเข้าไปยึดเกิดความเพลินในความสงบแล้วก็เลยไม่ไปไหนแทนที่จะเอาสติมาดูกายนะมาดูใจเห็นธรรมชาติเห็นาาอาการของกายและใจจกนกทั่งเข้าใจนะในเรื่องใตลักนะก็กลับไม่เห็นนะเพราะเพลินในความสงบ อั น, นี้ก็เรียกว่าเป็นพ่อสติอ่อนเป็นพ่อว่ายังไม่มีสติที่แก่กล้าเวลาเจริญสติแล้วพบความสงบเนี่ยอันนี้ที่เราเรียกว่าสมถะแต่เวลาเจริญสติแล้วเกิดสว่างเกิดปัญญาตรงนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสนาดัางนั้นเนี่ยการเจริญสตินี่มันก็เป็นไปได้ทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานแต่ว่าสนใจก็ไปติดนะแค่สมถะพอสงบแล้วก็หยุด เพลินนะติดนะบางทีไม่อยากไปไหนอยากจะเดินจงกรมอยากจะสร้างจังหวะเดี๋ยวไม่อยากไปทำงานไม่อยากไปรับผิดชอบหน้าที่การงานไม่อยากกลับบ้านเลยเพราะว่าบ้านนี่มันไม่สงบทางด้านที่ความสงบเนี่ยมันไม่อยู่ที่ข้างนอกมีที่ข้างในแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจนะว่าเนี่ยจลส ต, ติแล้วเนี่ยมันทำให้ต้องทำให้เกิดปัญญาด้วยมันต้งการสงบอย่างแท้จริง เพราะแต่ใดที่ไม่เกิดปัญญาไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์นะยังยึดติดในตัวกลัวของกูเนี่ยมันไอ้สงบที่เกิดขึ้นก็สงบชั่วคราวนะมันจะไม่ใช่ความสงบที่ยั่งยืนหรือความสงบที่แท้จนกว่าจะสงบจากกิเลสสงบจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนถ้ายังมีความยึดติดถือมั่น หรือมีตัวกูหนาแ น, น่นยังมีกิเลสหนาแ น, น่นในความสงบที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่ก็แน่นอนบางทีเนี่ยทาไปทําไปแล้วเนี่ยความคิดมันมันเลือนหายไปเลยนะบางคนทำแล้วเนี่ยโอ้ยมันสงบมากเลยหลวงพ่อเทียนท่านก็จะสอนเลยเนี่ยต้องทําให้มันเร็วเร็วเดินเร็วเร็วนาะยกมือสร้างจังหวะแรงเร็วเรงเร็เรื่งๆร เพื่อปลุกเพื่อขย่าวความคิดให้มันออกมาจะได้เป็นเครื่องฝึกสตินะไม่ใช่ทำอะไรช้าๆแล้วก็เพลินเพราะมันสงบแต่จิงไม่ถูกต้องขย่าวให้มันแรงให้มันให้มันฟุ้งออกมาไนงะแล้วก็ได้มีเครื่องฝึกสติเพราะว่าหลงมากเท่าไหร่ฟุ้งมากเท่าไหร่มันก็ทำให้สตินะมีกำลังมีพ่อมีคู่ซ้อมนะที่พอฟัดพอเวียงกัน ดนั้นเราเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยน ะ, ะเราก็จะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรให้มันถูกต้องนะบางคนสร้างจังหวะแล้วเนี่ยบางทีก็อยากจะให้สงบก็เลยปิดตาหรือบางทีก็ไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่มือมันจะได้ไม่คิดอะไรหรือไม่ชนะก็ไปตะปบความคิดเนี่ยอันนั้นไม่ถูกนะยอมให้มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่จะมาฝึกสติให้รวดเร็วฉับไว แล้วเราก็ใช้สตินั่นแหละนะมานำพาจิตใจให้เข้าถึงความสงบและความสว่างในที่สุด เ, เดี๋ยวนี้ก็เพื่อนเท่านี้นะกราบระ